แปลว่ากุศลไม่เจริญเลยแนวโน้มทําท่ายังไงก็ไม่ได้บรรลุแน่มรรคผลหรือไม่เจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแน่สิกขาสามไม่เจริญแน่นอนถ้าอย่างนี้นะก็คิดซะว่าไม่ได้บวชมหาปัจใจสี่พิจารณาว่าได้แต่ปัจใจสี่แต่กุศลไม่เจริญเลยเหมือนพระหลายรูปเข้ามาบนให้ฟังยผมเนี่ยนะปัจใจสี่ผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะแต่กุศลผมไม่เจริญอแล้วท่านทนอยู่ทําไม แออะคุยเรื่องอื่นละไม่ตอบนะเพราะว่าตอบแล้วมันเข้าเนื้ออนะไรอย่างเงคุยเรื่องอื่นนี่เราเนี่ยนะบอกพวกที่บ่นนะอะไรนะเขาชอบบ่นนะผมอยู่นี่ผมกุศลไม่เจริญเลยอย่างงั้นอย่างงี้แล้วใครให้ท่านอยู่ล่ะก็เปลี่ยนเรื่องคุยตามสูตรมันก็เป็นอย่างงี้แหละจริงก็บ่นบนไปอย่างงั้นเลยเหมือนผัวเมียก็บ่นนะะผัวไม่ดีเมียอย่างงั้นผัวอย่างนี้นะก็บ่นไปอย่างนั้น เ, เออนะอ ย, นะอ ย, ออยู่ทนอยู่กันทําไมออกไม่ได้นะ กระมี่เขามาเคยแนะนําตั้งหลายคนแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามเลยเขาโวยเขาบ่นมากเลยนะอยฝ่ายผัวเขาบ่นเมียนะมวยอย่างงั้นเมียอย่างงี้เขาก็มาปรึกษาเออสรุปแล้วเลวมากใช่ไหมบอกใช่เอคุณทนอยู่ทําไมนยฮะเลิกคุยเลยเปลี่ยนเรื่องคุยภริยาทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละเขาเลวมากเา้าอยู่กับเขาทําไมะนะอกึอกอกักอึกอักเปลี่ยนเรื่องคุยก็ทําเป็นบ่นเนี่นะจริงเขามาขี้เกียจฟังที่สุดเลย อ ย, อย่างที่สองสรุปว่ากุศลไม่เจริญแต่ปัจจัยหายากออปัจจัยหาง่ายไม่ได้มาเพื่อหาปัจจัยข้อที่สามกุศลเจริญแต่ปัจจัยหายากอันนี้ควรอยู่นะถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าไม่สบายก็ไปหารักษารักษาหาแล้วก็มาอยู่ต่อไปว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะกุศลเจริญมันดีอย่างเดียว ส่วนข้อที่สี่เนี่ยนะกลุ่มที่สี่เยี่ยมที่สุดเลยนะปัจจัยสี่ก็เอ่อหมายว่ากุศลก็เจริญจนเอ่อเจริญงอกงามจะได้รับอริยศรัพย์จากพระพุทธเจ้านะั่นและแล้วก็ปัจจัยสีก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่ตลอดชีวิตนะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งคือเรื่องอยู่ป่าก็มีสี่ข้อนวิ น, นิจฉัยนะหนึ่งนนะปัจจัยหนึ่ง ไม่ควรอยู่เลยรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนข ago, ้อที่2พิจารณาแล้วไปซะอย่าอยู่เลยข้อที่สพิจารณาเสร็จแล้วควรอยู่พิจารณาข้อที่4ให้อยู่จนตลอดชีวิตตัวในครั้งหนึ่งนหนึ่งรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนข้อ2รู้แล้วควรไปข้อที่สควรอยู่นะควรอยู่ข้อที่4ให้อยู่จนตายะทีนี้ก็มาคูณกับอะไรคูณกับหมู่บ้าน เข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ก็เหมือนกันหมู่บ้านบางหมู่บ้านนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอยู่แล้วปัจจัยสี่ก็เดือดร้อนมากๆหาอาหารฉันไม่ได้เลยหาอาหารฉันเนี่ยากมากนะพระบางทีต้องไปหงต้มฉันเองนั่นนะเพียงแต่ว่าศาลามันใหญ่แค่นั้นนะหรือบางทีก็ไม่รู้ไปติดพันอะไรก็ไม่ทราบ น, นะบางองค์ไปโจนอยู่ โมบ้านก็ปัจใจสี่ก็หายากกุศลก็ไม่เจริญเนี่ยนะบางทีดีไม่ดีไปนั่งทะเลาะเถียงกันเรื่องที่ดินกับบ้าชาวว่ากันนะชาวบ้านก็ไม่ชอบพระพระก็ไม่ชอบโยมก็ทนอยู่ตัวเองกุศลก็ไม่เจริญปัจใจสี่ก็ยากแต่ก็อยู่ไม่รู้จะอยู่เอาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะที่ดินเขาไม่ยกให้เป็นส่วนบุคคลหรอของสงอ่ะมันก็ทนอยู่บางองค์ก็ทนอยู่ไปแต่ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรกุศลก็ไม่เจริญ นะกุศลก็ไม่เจริญก็คลายเป็นว่าไปอยู่ชิงอะไรชิงอาวัดเนี่ยนะชิงเอาที่ดินเหล่างั้นเถอะชิงเอาที่ดินชาวบ้านก็อยากจะมาเป็นของชาวบ้านพระก็อยากแม่อยากให้มันเป็นอ้างกัของสงแต่ตัวเองเป็นเจ้าว้าเนี่ยนะก็ว่าไปใช่แล้วก็ในที่สุดก็ไม่เจริญอันนี้ข้อนี้เนี่ยไม่ควรอยู่เลยอยู่แล้วกุศลก็ไม่เจริญปัจจัยก็เดือดร้อนเพราะยิ่งต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านณนะหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยนะยิ่งอยู่แล้วยิ่งได้เวร หนักๆเข้าตัวเองฉันอะไรแล้วท้องเสียกขาบอกเนี่ยเขาใส่ยาพิษมาแล้วเนี่ยนะบางทีก็ว่าไปโน่นเนียบางทีเขาก็ใส่จริงๆกันแหละเพราะอะไรเพราะเขามันใส่เขาลำคาญมากนะนนั้บางแห่งเนี่ยอยู่แล้วไม่เจริญทั้งสองอย่างทั้งเอะไรเรียกว่าถ้าเราคิดนะปัจจัยสี่นี่เป็นเครื่องอุดหนุนตาหูจมูกลิ้นกายให้อยู่สบายส่วนคุณธรรมเป็นเครื่องอุดหนุนใจก็คืออยู่แล้วกายว่ะไม่ดีขึ้นเลยอ่ะนะ ปัจจัยสเครื่องอุดหนุนชีวิตก็ไม่เจริญคุณธรรมก็ไม่เจริญออกไปเธอหมู่บ้านไหนที่มันเป็นอย่า ง, งานั้นรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนอันนี้ข้อที่1ที่สองอยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเลื่อมใสามากดีมากทุกอย่างดีหมดแต่กุศลไม่เจริญเลยอันนี้พิจารณาเสร็จแล้วบอกไม่ได้บวชมหาปัจจัย4ี่นะรู้แล้วไปเถออย่างที่สอยู่แล้วเนี่ยปัจจัย4ี่อัตคัดมากแต่กุศลเจริญเจริญ อนะพิจารณาถ้าพออยู่ได้ก็อยู่ต่อไปข้อที่สี่บอกว่าอยู่แล้วกุศลก็เจริญปัจจัยสี่ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้พ อ, องษ์บอกว่าให้อยู่ตลอดชีวิตอนะหมู่บ้านไหนเป็นอย่างนี้ให้เนี่คือหลักวินิจฉัยอันะหลักวินิจฉัยสังเกตดูสาระจริงๆอ่ะไปอยู่เอาอะไรไปอยู่เพื่อเจริญสิ่งที่ควรเจริญไปอยู่เพื่อรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ไปอยู่เพื่อละสิ่งที่ควรละไปอยู่เพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งถ้าเป็นไปตามนี้ดี ทนนิคมนิคมบางทีก็หมายถึงตำบล น, นะนะตำบลไหนเป็นอ่านะอยู่อยู่ตำบลใดแล้วอยู่แล้วกุศลก็ไม่เจริญปัจจัยสี่ก็หายากไปซะรุ่กลางวานันไปกลางวานันรุ่กลางคืนไปกลางคืนไปอยู่นิคมหรือตำบลเหล่าใดแล้วเจริญแต่ปัจจัยแต่กุศลไม่เจริญพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วออกไปอย่าอยู่อ่านะอย่างที่สมไปอยู่แล้วเนี่ยนะกุศลเจริญอ่ากุศลเจริญแต่ปัจจัยสี่ไม่ดี แต่ก็ควรอยู่ต่อไปสุดท้ายถ้าอยู่แล้วก็กุศลก็เจริญปัจจัยสี่ก็บริบูรณ์ควรอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งนครก็คืออำเภอบางทีนี้คําว่านาครเนี่ยบางทีก็หมายถึงอำเภอมันไปอยู่อำเภอไหนนะไปอยู่อำเภอไหนแล้วเจริญปัจจัยสี่เจริญอย่างดีอะไรนะปัจจัยสีก็ไม่เจริญกุศลไม่เจริญก็ลักษณะเดียวกัน ทีนี่มาถึงชนบทชนบทบางทีก็หมายถึงจังหวัดเนี่ยนะจังหวัดเราใดที่เข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยแลว้วนะก็ตามหลักที่กล่าวไปแล้วนะทั้งป่าหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนี่มาอันดับสุดท้ายก็บุคคลนะคะ่ะเนี่ยอันนี้สำคัญมากคำว่าบุคคลก็เช่นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เราไปเป็นเพื่อนคบเพื่อนเห็นเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลก็คือคนที่เราครบหาสมาคมด้วยเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้น บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคล น, นั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏเนี่ยนะสติไม่เจริญเลยจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และภิกษุนั้นย่อมไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณทบาท่าเสนาสนะและกิฬานาปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดุการพิสูจน์ทั้งหลายโดยยาก ดูความพิสูุทั้งหลายภิกษุนนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคล น, นี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคล น, นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏกจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิน้นไม่ถึงความสิ้นไปก็ยังไม่ถึงความสิ้นไปและไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ไม่พ่อพูนอะไรเลยเหมนกิจในพระศาสนาไม่ได้อะไรเลยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวณบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะัปัจจัยเพศศาตว์บริขารเหล่าใดที่บรรปชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูค่ามพิสูจนทั้งหลายบุคคล น, นั้นเนี่ยนะพิสูจน์นั้นไม่ต้องบอกลาบุคคล น, นั้นควรหลีกไปเสียในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ควรผัวพันกับบุคคล น, นั้นเลย อยู่แล้วกุศลก็ไม่เจริญปัจใจสี่ก็อัตคัดฝืดเครื่องถูกดายต่างหากเป็นต้นนะเนีอย่าคิดว่าพระด่าไม่เป็นนะนะพันธกรว่าเขามีอยู่ที่หนึ่งพอมานี่มีเพื่อนอยู่รูปหนึ่งขณะท่านท่านก็จะไปอาศัยพระรูปหนึ่งอยู่โอ้ยพระรูปนี้ท่านก็มาโปรโยคําหอมมาอยู่กับผมนะเนี่ยต่อไปผมจะให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พระเพื่อนรูปนี้ก็ดันไปชอบเข้าไปเห็นด้วย ก็เลยเดินทางไกลปุเรงกูเรงกุเรงหลายร้อยกิโลไปเพื่อจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเนะี่ยพอไปอยู่เข้าเนี่ย น, นะเราก็ไปส่งด้วยนั่นแหละไปส่งท่านนะไปเยี่ยมนะไปดูแมมเขาโฆษณาว่าดีเหลือเกินอ่ะนะพระเจ้า ว, ว่ารูปนี้เขาโฆษณาเชียร์เหลือเกินว่าตรงนี้มันดีเยี่ยมดีมากแล้วงั้นเราก็ไปด้วยจะไปดูหน่อยมันเป็นยังไงก็ไปแล้วก็ไค้างคืนนึงแล้วก็กลับแล้วไม่อยู่ด้วยหรอก แล้วพระรูปนี้เนี่ยนะท่านก็ไปอยู่กับพระรูปนั้นอนะี่ว่าก็ไปอยู่แล้วเบินบินทบาทก็ไกลโคมกันนะเดินบินทบาทก็ไกลไกลแม่หลวงพ่อองค์นี้วันแรกที่ไปเจอกันโอ๊ยใจดีเหลือเกินหลวงพ่อพออยู่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะพระรูปนี้ถูกดา่าจนเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตอะนะแท่านก็ทนอยู่นะมันรู้อยากเป็นเจ้าว่าหรือเป็นอะไรไม่ทราบนั้นอยู่ซะวิปลาสคลาดเคลื่อนไปเลยกลายเป็นคนวิกลจริตไปเลยอะ่ะ ในที่สุดก็ต้องส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่ทราบรู้ดีเป็นดีเป็นได้ยังไงก็ไม่ได้เจอกันตงหลายปีละเจ็ดปดปีละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละว่าเออเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะว่าบุคคลที่เราเข้าไปอาศัยรู้ว่าถ้าทีไม่ดีแล้วเนี่ยไปเถอะจะไปอยู่ทาอะไร ไม่ได้บวชมามีสัญญาผูกพันธ่าว่าเนี่ยนะฉันจะขอรับใช้ท่านตลอดชาติตลอดไปเนี่ยเซ็นสัญญาถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนี้จะถูกฟ้องถูกร้องเป็นตน้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปอยู่แล้วกุศลไม่เจริญเลยเนี่ยนะคือถ้ากุศลไม่เจริญในอย่างที่พระรูปนี้เนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้เราเอามาหลอกกันเล่นหรอกนะซึ่งถูกถูกก็หรอก็เป็นโรคจิตจริงๆเพราะเขามายังเคยไปส่งท่านที่โรงพยาบาลโรคจิตเลยเพมื่อไงไปก็ไปก็ไปคุยกับจิตแพทย์นะเน เหตุผลก็นี่แหละว่าเพระเ พ, ร ะ, พระบุคคลที่ไม่ควรครบไม่ควรอยู่ใกล้อยู่ซะเป็นโรคประสาทเลยก็มีท่านก็อาหังการแนละ้วท่านนะดีดีอวดอ้างสรรพคุณดีนักดีหนาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ด่าเก่งเก่งนะในที่สุดก็เพี้ยนไปเลยแล้วปัจจัยสีก็เดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนมันพระพิสูรรูปนั้นกลายเป็นว่าเสียอนาคตเลยชาตินี้ไม่รู้จะกลับดีดังเดิมได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็กลายเป็นวิปลาสไปเลยคลาดเคลื่อนไปเลยเพี้ยนไปเลยเนี่ยนะ มันบุคคลที่เราเข้าไปอาศัยเนี่ยจะต้องสังเกตดูว่าหนึ่งอยู่แล้วเดือดร้อนไหมกุศลจเจริญไหมไปเข้าเข้าไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยนะมันการที่เราเข้าไปอาศัยบุคคลบุคคลเนี่ยหมายรวมทั้งครูบาอาจารย์อะไรเป็นต้นเนี่ยทุกอย่างะนะแม้กระทั่งเพื่อนหรือครูบาอาจารย์อะไรก็ช่างเถอะถ้าไปแล้วนี่ต้องดูว่าประโยชน์หนึ่งกุศลเราจเจริญไหมกุศลก็ไม่จเจริญกุศลก็ไม่จเจริญก็แปลาว่าอากุศลมันจเจริญสิ เสียศีลเสียธรรมเพราะบางคนเนี่ยถ้าเราเข้าไปอาศัยเนี่ยเคยรักษาศีล ด, ดีเนี่ยหมดศีลเสียศีลเลยนะเขาไม่เอื้อเฟื้อที่จะให้เรารักษาศีลเลยดีไม่ดีชวนเราทําลายศีลอี ก, กว่าท่านเอ้ยอย่าไปอันนี้เลยนี่มันยุคนี้มันสมัยนี้อย่าไปเคร่งอย่าไปอะไรมันนักเลยควรมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาอาอะไรวัดบอกว่าเอาใจผมเนี่ยมันวัดมามัชชิมาปฏิปทาแปลว่าพอใจพอดีก็ถูกใจใช่ไหมซัมมาทิฏฐิทำตามใจชอบอย่างนี้เป็นต้นก็เสียหายละ คนนี้ก็จะทำอะไรตามที่ใจตัวเองชอบเพราะบุกเข้าไปอาศัยบุคคล น, นี้เสียศีลเลยจริงๆ น, นะเข้ามาอีกนั่นแหละเคยสมัยเป็นเนนเล็กๆเนี่ยนะเคยไปอยู่กับหลวงพ่อองค์หนึ่งคือไอ้ความที่ตอนนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเนี่ยนะก็ไปอยู่กับท่านไปก็แหมท่านๆก็ชวนกินข้าวเย็นแลวเราก็ชอบเนี่ยอร่อยดีด้วยหิวด้วยก็เลยเอาเลยเนี่ยนะตอนหลังไมร่รู้ไม่น่าเลยเนี่ยนะ ก็มันก็ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะท่านท่านนี้ดีนะเออยังเป็นเลนเล็กเดน้อยไม่รู้เรื่องรู้ภาษีภาษาอะไรตอนนั้นอ่ะนะมันถ้าเราคิดดูว่าเนี่ยบุคคลเนี่ยนะพรหมจรรย์ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือบุคคลที่เราเข้าไปอาศัยความเสียหายความแตกทําลายแปดเปื้อนบาปมันก็เหมือนว่าเราคบกโจรมันก็เป็นโจรอ่ะนะในที่สุดมันก็เป็นโจรเอางั้นเถอะถ้าคบบัณฑิตมันในที่สุดมันก็เป็นบัณฑิต มันคบคนเช่นใดมันก็เหมือนเป็นคนเช่นนั้นก็เหมือนกับใบไม้ที่ไปห่อปลานั่นแหละใบไม้ห่อปลาเน่ามันก็เน่าใบไม้ ห, อห่อของหอมมันก็หอมคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไปอาศัยมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็ต้องจับประโยชน์จับสาระให้เป็นว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขานี่คืออะไรอยาคื อ, ค, อคือคำสมัยใหม่เป็นคำที่เน็ดแนมถากทางว่าเอาแต่ผลประโยชน์ซึ่งจริ ง, รงๆแล้วคำสอนก็สอนให้ได้รับประโยชน์ หประโยชน์โลกนี้ได้ไหมสอประโยชน์โลกหน้าได้ไหมสาประโยชน์อย่างยิ่งได้ไหมสําหรับผู้ที่เข้ามาบวชนี่บวชเพื่อต้องการประโยชน์อย่างยิ่งผู้ที่ทํามาหาเลี้ยงชีพทํางานทั้งหลายคือต้องการประโยชน์โลกนี้คนที่มาทําบุญโดยมากต้องการประโยชน์โลกหน้าคนที่ปฏิบัติธรรมคือคนที่ต้องการประโยชน์อย่างยิ่งไปแล้วทําลายประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็สูญสลายประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่มีวี่แววเลยเนี่ยถามทําไง เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่ารู้กลางวันก็ควรหลีกไปกลางวันรู้กลางคืนก็หลีกควรหลีกไปตอนกลางคืน